ท่านฟังที่ครบค่ารายการสัสนิษฐานาทางเอฟเอมร้อยหครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติก็ได้เวลาที่จะมาถึงช่วงที่สองเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะฟังสิ่งที่ท่านพบูลได้ตั้งใจมอบให้เป็นพิเศษช่วงเทศ ก, การเข้าพรรษานะคะในเรื่องพุทธประวัติในวันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจะถึงตอนที่ได้ตราดเกี่ยวกับพระพุทธองเองแล้วเรามาพบกับท่านพบูลกันเลยค่ะนัมาศการค่ะท่านคะอาจารย์เฉลิมพานค่ะ <c oughs> ในเรื่องของความเป็นอยู่กับพระองค์เองในพุทธ ว, วัตรนะเรือ่องแรกก็ยังบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ติดทายกนะคือเคยเล่าให้ฟังให้ให้ท่านพระอนนต์ฟังว่าเออเธอจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นครูสอนที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะก็ต้องดูว่าท่านสอนอะไรนะสอนดีไม่ดีนี่อย่างหนึ่งละยังต้องดูว่าถ้าท่านบุคคลผู้นี้เนี่ยมี ลาบส ก, การะเสียงสรรเสริญเยือนยอมากแล้วยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมค่ะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าตัวพระองค์นี่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือไม่มีเครื่องที่จะมาทําให้ไปติดในลาบส ก, การะเครื่องสรรเสริญเยือนยอได้เปรียบเหมือนกับดอกบัวเนี่ยมันจเจริะโตมาจากน้ํามีขี้ตมมีอะไรต่างใช่ไหมแต่พอมันบานเป็นดอกบัวกมาแล้วเนี่ยเป็นใบบัวเนี่ยใบบัวมันไม่ติดกับขี้ตมไม่ติดกับน้ำค่ะลักษณะ น, นี้แล้วก็ เคยเล่าให้อุปถากองค์แรกหรือองค์ที่สองเนี่ยที่พระนากิตะฟังนะก่อนที่จะมาเป็นพระอนนท์เนี่ยมีอุปถากมาแล้วอยู่หลายองค์อยู่นะพูดถึงความที่พระองค์เนี่ยไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยศถาบรรดาศักดิ์นะ <c oughs> เนื่องมาจากมีชาวบ้านในหมู่บ้านอิชานังคะระอยู่กลุ่มหนึ่งนะได้ยินว่าโอ้พรุระเจ้ามาแล้วก็เลยแห่กันไปนาะยกขบวนแห่ไ้เพื่อที่จะไปสรรเสริญพระเจ้านะเราก็ไปยืน เอือเสียงเสียงอึกกระทึกอยู่ข้างข้างนอกอวิหารพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าไอ้ใครมากันเหมือนกับพวกโอ้ยหาปลาทําเสียงอะไรกันดังอย่างนี้ในพระนัคิตะก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะมายกย่องมาหาพระพุทธเจ้ามานําของเคี้ยวของฉันอะไรต่างมาถวายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยมันมันไม่ดีเรื่องยศศักดิ์สรรเสริญลาบยศต่างๆอย่างนี้อืม แล้วก็ยังอธิบายให้ท่านพระนากิต่ฟังนะบอกว่าเหมือนกับอุจาระปัสสาวะเนี่ยที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยคือถ้าเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายอุจาระถ่ายปัสสาวะออกมานะเช่นเดียวกันถ้าเรามารับของพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีผลของสิ่งพวกนั้นก็คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแกนใจนะประเด็นถ้าเราไปยึดถือไอพ้พวกลาภยศสันเซินพวกเนี้ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนนั้นต้องมีความถูก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความอยู่ของพระองค์เองก็คือการที่เสพนาสนะป่านะก็เพราะว่าเพื่อให้เป็นตัวอย่างคือตอนนั้นมีคนเคยมาโจทย์พระพุทธเจ้าว่าอา้าททำไมเป็นสมามราสัมพุทธะแล้วเนี่ยนะยังไปหลีกเล่นอยู่ในป่าคนเดียวเอ้ทำไปทำไมอ่าบางคนก็โจทย์ถึงขนาดว่าสงสัยยังไม่เป็นพระุทธเจ้าจริงถึงต้องไปทาความเปลี่ยนอย่างนี้ พระเจ้าก็เลยให้เหตุผลว่าที่จริงทำเนี่ยด้วยเหตุผลสองอย่างคืออย่างแรกด้วยความที่ต้องการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนะแล้วก็อย่างที่สองคือเพื่อต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังคุณยยมตีวลองคิดดูนะถ้าโหคนข้างหน้ามองไปข้างหน้าก็มีคนมองไปข้างหลังก็มีคนทําอะไรจะไปไหนเนี่ยมันขยับยากไปหมดนะแค่จะไปเข้าห้องน้ําไปปัสสาวะไปอุจจาระเนี่ยยังยากเลย <c oughs> เวลารับแขกมากๆนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่โอ้อยู่ว่างๆนะีไม่ต้องมีใครมาอยู่มากงังวลกวนใจเราก็เป็นที่สบายนะพระชาาย้ในษารนีอ้อีกประการหนึ่งเคยมีพระราช า, านิครณนะพวกปริบัก์ศาสนาอื่นเนี่ยเขามาถามพระบุชาบอกว่าเนี่ยพระชาพิมพิสารเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีอยู่อ ย, อย่างมีความสุข มีพระยกถึงพระชาองค์หนึ่งที่พระชื่อว่าพระเจ้าปิมพิสารถามว่าพระเจ้าเนี่ยมีความสุขใครมีความสุขมากกว่ากันระหว่างพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าปิมพิสารซึ่งคําถามลักษณะนี้เป็นคําถามที่ชงมาละวชงมาแล้วหมายความว่าถ้าตอบอย่างนี้นะฉันจะต้อนอย่างนี้ถ้าตอบอีกอย่างหนึง่งฉันจะต้อนอีก อ, อย่างหนึ่งพระเจ้าตอบยังไงพระเจ้าก็อธิบายถึงหลักธรรมะให้ฟังบอกว่าอ่ะที่ฉันฉันจะตอบว่าฉันเนี่ยมีความสุขด้วยหลักการที่ว่า เอาแค่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าพระชจ้าพิมพิสารเนี่ยถ้าต้องการอยู่เฉยๆตลอด7วันนี่งนิ่งๆเงียบๆไม่พูดกับใครยอยู่ได้ไหมโอ้ยนี่ครนก็ตอบไม่ได้แน่อย่างน้อยมันต้องพูดกับใครพูดกับนางสนมหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าต้องไปเดินเที่ยวในที่นี่มันนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์สามารถทําได้นะหรือว่านอนอย่างเงี้ยถ้าเวลานอนเนี่ยถ้ายังมีกิเลสคือราคะโทสะโมหเะเผาอยู่ในจิตเนี่ย ต่อให้นอนที่นอนที่นุ่มนิ่มขนาดไหนเนี่ยนะก็ยังนอนไม่สบายก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเนื่องจากจะไม่สบายใจแต่พระองค์เนี่ยสบายใจนอนอยู่บนพื้นฟางก็อย่างสบายใจเนื่องจากความที่ไม่มีราคะโทสะโมหะมาเผาจิตอ่าแล้วก็แล้วพระองค์เนี่ยมีเครื่องอยู่ยังไงเนะี่ยอยู่เป็นปกติก็คืออยู่ในสมาธินี่เอง นะสมาธิคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สนีะ่แล้วก็จะทำให้สบายใจอยู่ได้อีกนยัะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่อยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่อยู่ด้วยสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็มีแล้วก็ได้เคยบอกภิกษุทั้งหลายบอกว่าเนี่ยถ้ามีใครมาถามเถอนะว่าพระพุทธเจ้าเราต ถ, ถาคตเนี่ยอยู่ด้วยเครื่องอยู่อะไรเป็นอันมากในตลอดพันษาการก็ ให้บอกเขาบอกว่าเราอยู่ด้วยอาอนาปานสติซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเครื่องอยู่เครื่องอยู่ควาว่าเครื่องอยู่เนี่ยต้องอธิบายเข้าใจนิดหนึ่งว่าเหมือนกับเรามีบ้านอยู่ใช่ไหมเราไปทํางานตอนเช้าสัาก10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็กลับมาที่บ้านไปต่างประเทศสักอาทิตย์1 น, งนึงเดือนก็กลับมาที่บ้านนะไปไหนมาไหนก็กลับมาที่บ้านหมด นะก็คือมีบ้านเป็นที่อยู่ก็เหมือนกันเราก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อาจจะไปทำนั่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่ก็เป็นไปได้มีสติอยู่ไดนะ้แต่ก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ลักษณะนี้อีกประการหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพระองค์ก็คือไม่ได้ไม่ได้ฆ่าสัตว์คือไม่ได้ทไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่บริสุทธินะ์คือถามเรื่องนี้ได้พูดกับหมอชีวกโกมารพัต ที่สวนมะม่วงนอกเมืองราชกรึก <Okay. S 1> นะหมอชีวกเนี่ยก็พูดถึงเอ้เราไปกินสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยมันจะดีเหรอในลักษณะนี้นะ <Okay. S 1> พระเจ้าก็บอกว่าสัตว์เนื้อสัตว์ที่รับประทานเนี่ยนะก็มีความบริสุทธิ์ที่ว่าไม่ได้ฆ่าเองนะไม่ได้ให้เขาฆ่าเฉพาะเจาะจงหรือไม่ได้บอกว่าจงนําสัตว์ชนิดนี้มานะตจงฆ่าสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้จงมาตายไม่ได้มีอย่างนั้นนะแต่อาหารที่เขานํามาก็คือเขามีสัตธานํามาถวาย เพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จึงเป็นอาหารที่บริสุทธิ์อธิบายให้มชิมบกุกโกมรารพัทฟังแล้วก็การตระเตรียมแลวก็เป็นการตระเตรียมที่บริสุทธิ์บุคคลที่ตระเตรียมยก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานแล้วก็บริโภคเนี่ยผู้บริโภคนี่นะก็บริโภคด้วยความบริสุทธิ์หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะทุกครั้งในการบริโภคจึงการเป็นบริสุทธิ์ทั้ง3อย่าง <Okay. S 2> ในเรื่องของพระพุทธองค์อีกอย่างหนึง่งอย่างสุดท้ายในสําหรับวันนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้โต้อตอบกับพราหมณ์องค์หนึ่งชื่อว่ากสิพาธรวาวชาพราหมณนแล้วก็พูดถึงเรื่องการโต้อตอบกันเป็นกลอนว่างั้นเถอะพอโต้อตอบกันเป็นกลอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพราหมณ์องค์นี้ก็ศรัทธามากเลยจึงเอาอาหารมาถวายศรัทธาด้วยความที่พระพุทธเจ้ามีความสามารถในการแต่งกลอน เหมือนอย่างที่เราเคยฟังดูทีวีเขาจะมีเพลงขับโต้อตอบกันระหว่างชายหญิงอย่างนั้นนะนะอันนี้จะเป็นเพลงขับลักษณะนี้ผู้ชาก็ไม่รับอาหารประเภทนั้นเพราะว่าเป็นอาหารที่เกิดจากเพลงขับแะก็เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธินะ์เนี่ยเพราะว่าเขายังมีความกำหนัดในการที่เห็นความสามารถของผู้ชาในการแต่งกลอ น, น, นแทนที่จะพูดถึงเรื่องธรรมะลักษณะนั้นอ <c oughs> นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ นะคะความเป็นอยู่ของพระพุทธองค์น่าสนใจมากว่าทรงอยู่อย่างไรแบบศาสดานะคะว่าเขายู่ท่านอยู่อย่างไรพรุ่งนี้ติดตามต่อนะคะแต่ว่าช่วงของท่านเปบุญยังไม่หมดคะ่ะยังมีการนําเสนอรายละเอียดของอรียสตัตว์สี่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เอาไว้อีกวันนี้ถึงตอนไหนนะคะถึงตอนที่พูดถึงนิพพานค่ะตอนที่พูดถึงนิพพานแล้วกเ็เราเลยเรื่องของความดับของตัณหามาแล้ว แล้วทำที่เหลือจากความดับของตัณหานั่นก็คือนิพพานนะที่เป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรที่จะหยางลงได้นะแล้วก็นิพพานเนี่ยครูเชาบอกว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็มีอยู่สองประเภทนิพพานธาตุเนี่ยมีอยู่สองประเภทนั่นะคือประเภทที่เรียกว่าสอุปาที่เสศานิพพานธาตุกับอนุปะที่เสศานิพพานธาตุฟังละเลยเพึ่งมืน่นเขาเป็นคําบาลี เอาแปลงง่ายๆก็คือว่านิพานเนี่ยมีนิพานแบบที่ เ, เวทนาก็ดับด้วยกับนิพานแบบที่เวทนายังไม่ดับ <Okay. S 1> ว่าอย่างงั้นนิพานแบบที่เวทนาดับไปแล้วด้วยก็คือเวทนาดับเย็นนะใช้ภาษาบาลีว่าอนุปาที่เสสานิพานธาตุกับนิพานแบบที่ยังมีเวทนาอยู่นะก็คือยังยังมีความรู้สึกอยู่บ้างก็ใช้คําภาษาบาลีว่าสักุปาที่เสสนิพานธาตุซึ่ง ตรงนี้เนี่ยบางท่านจะมีความเห็นว่าอ๋อนิพพานธาตุแบบที่ยังมีเวทนาอยู่เนี่ยคือสําหรับพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพระอาหารหันต์ที่มรณภาพไปแล้วหรือละกายนี้ไปแล้วก็จะเป็นนิพพานธาตุแบบที่ไม่มีเวทนาซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของพระพุนะเนี่ยจะพบว่าพะพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นบรรลุนิพพานตอนใต้ต้นไมโพนะเป็นแบบที่เวทนาก็ดับไปด้วยอเพราะนั้นก็จะมีพระอาหารหันต์ประเภทที่ บรรลุนิพพานแล้วยังมีเวทนาอยู่บางพวกก็เวทนาดับไปด้วยซึ่งอาจจมาเห็นหลายครั้งในในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่มีสาวกหลายรูปนะคุณโยมติวที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ว่าไม่ได้ประกาศตัวนะแล้วก็ถูกต้องโรคอย่างหนักมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าก็มีซึ่งแสดงว่าท่านเป็นประเภทที่เป็นพระอาหารหันต์ประเภทที่ยังมีเวทนาอยู่ อ, อ๋อค่ะ ก็จะเข้าใจง่ายๆก็แค่นี้ก็จะเข้าใจเลยอีกประการหนึ่งในเรื่องของนิพพานนะถ้าเราจะพูดถึงนิพพานเนี่ยมันมีคำก็เรียกว่าคำพ้องคือคาที่ใช้แทนกันได้เลยเอามาเสียบกันแทนได้เลยอีกคำหนึ่งก็คือพระเจ้าบอกว่าคือคำว่าอสังคตาคือสิ่งที่ไม่ถูกอะไรปรุงก็เลยพูดถึงลักษณะของสังคตะกับอสังคตาเอาไว้สังคตะเนี่ยคือสิ่งที่ถูกอะไรปรุงได้ คืนะ <Bug> อลักษณะของสังกตะนี่ก็คือว่ามีการเกิดปรากฏนะอย่างที่สองก็คือมีการเสื่อมปรากฏอย่างที่สามก็คือเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่สิ่งที่ไม่ถูกอะไรปรุงแต่งคืออสังคตะเนี่ยเป็นยังไงก็คือหนึ่งไม่มีไม่ไม่ปรากฏมีการเกิดสองไม่ปรากฏมีการเสื่อมแล้วก็เมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอนี้คือลักษณนะของอสังคตะธรรมอิบ ในเรื่องของนิพพานก็จะมนะีอีกอันหนึ่งก็คือความดับเย็นของเวทนาเนี่ยมีได้แม้ในปัจจุบันความดับเย็นของเวทนาเนี่ยคือถ้าใครยังมีเวทนาอยู่คุณโยมติว๋วผู้นั้นจะไม่พ้นไปจากทุกค่นะเพราะว่าเรายังต้องมีการกระทบ่ทางตาเรายังเป็นธาตุของความรู้สึกเนี่ยยังไงคุณจะต้องถูกลากไปถูรูดถูกกลางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใน6ทางนะแต่ถ้าเราหลุดพ้นจากพ้นจากเวทนาได้ นะเราก็จะเป็นผู้ชื่อว่าดับทุกได้นะซึ่งก็คือเปรียบเหมือนกับถ้าเราต้องการจะ ม, มีมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคุณโยมติว๋วแล้วก็เอาเราไม่ต้องการเห็นเงาของต้นไม้นี้นะถ้าเราไม่ต้องการเห็นเงาของต้นไม้นี้เนี่ยเราก็ตัดมันที่โคนขุดเอารากออกมาทั้งหมดเหลือเท่าก้ารหญ้าแฝกแล้วเอามาตัดให้เป็นท่อนใหญ่ท่อนใหญ่แล้วก็ทําให้เป็นท่อนเล็กท่อนเล็กก็ทําให้เป็นซี่ๆซี่ๆแล้วก็พึงให้ใหแห้งนึนลมและแดด พื้ให้แห้งในงลมและแดดเสร็จแล้วก็เผาด้วยไฟเผาด้วยไฟแล้วก็ทําให้เป็นขี้เท่าเป็นขี้เท่าแล้วก็โปรยไปในลมหรือว่าลอยๆไปในน้ําเราจะไม่เห็นเอเงาของต้นไม้นั้นอีกเลยต้องทําขนาดนี้เนะซึ่งเหมือนกันว่าถ้าเราจะต้องการเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากเวทนาแล้วเนี่ยเราต้องทําในลักษณะที่ว่าให้อทุกอารมณ์เนี่ยเราก็ปล่อยวางได้นะไม่ว่าจะสัมผัสต่ตางๆหูจมูกลิ้นกายใจสามารถทําได้ค่ะอืม ในเรื่องสุดท้ายของอนิพพานนะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงไวัยพ์ของคําว่านิพพานมีอะไรบ้างก็จะมาเล่าให้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดถึงอสังคตะใช่ไหมยังมีคําอื่นอีกคือคําว่าอนะัตตาคือสิ่งที่อะไรอะไรน้องไปไม่ได้ยังมีคําว่าอนาสวะคือสิ่งที่ไม่มีอสวะยังมีคําว่าสัจจะของจริงหรือคําว่าปาระคือฝั่งนอกคือนิปุณะของละเอียดนะหรือสุดทุตทัศ แต่วของที่เห็นได้ยากยิ่งหรือของที่ไม่คร่ำคร่าการบรรลุการยั่งยืนเป้าหมายสิ่งที่ไม่แสดงตัวสิ่งระงับสิ่งไม่ตายที่สิ้นตัณหาสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นที่เกษมสิ่งที่เย็นสิ่งที่ประณีตสิ่งที่ไม่มีเสนียดเราก็โอ้ความหลุดพ้นอนาลยะความไม่มีอะไรที่พึ่งสาระนี่ก็ได้เหมือนกันที่ป้องกันพวกนี้เป็น ไว้พุทธของนิพพานได้หมดเลยอืมค่ะไวพ้พุทแปลว่าความหมายเหมือนกันใช่ใช่นะคะใช้แทนกันได้ใช่ค่ะทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเรื่องของอายะสัาสีในส่วนเกี่ยวกับนิโรธนะก็จะหยุดไปที่ตรงนี้ก่อนในวันนี้ค่ะเพราะว่าก็ใช้เวลากันมาเยอะแล้วแต่ว่าฟังอาจจะดูเหมือนกับเป็นอ่าการสอน นะคะแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการสอนจริงๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่ท่านเนี่ยจะได้เข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาในเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่อันยิ่งใหญ่ที่ปกติแล้วก็จะเป็นการสนทนากันในลักษณะที่ถามคําถามและตอบคําถามไม่ได้เรียนเป็นระบบแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลพิเศษค่ ะ, คะท่านไพบูรณ์ก็จะนํามาพบ ก, กับเราอีกแต่ต้องเป็นสัปดาห์หน้าสิคะที่เนี่ยค่ะใช่ใช่ ในเรื่องของวันนี้นิดนึงตอนนั้นเองที่ถ้านุู้ฟังควรจะต้องจับประเด็นให้ได้เลยในะวันนี้ก็คือเรื่องของอสังขตะกับสังขตนะคุณสมบัติของเขาที่ว่าถ้าตั้งอยู่ถูกอะไรปรุงไม่ตั้งอยู่ก็ไม่ถูกอะไรปรุงอย่างเนี้นะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยมากๆเลยวันนี้ค่ะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะวันนี้อาไปใคร่ครวนฝากไว้ใคร่ครวนนะคะทังขตะและอสังขตะค่ะก็คงจะติดาตาม่มา ท่านพิบูลที่รายการนี้ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าถ้าสมมุติเสาร์อาทิตย์ที่ท่านยังตื่นตีห้าอยู่เหมือนเดิมก็ไปฟังท่านไปบูลได้นะคะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้น้ำมัสก่านขอบพระคุณนะคะใชค่ะเฉลิมฟานการท่านฝังที่ครบค่ะและสําหรับรายการของเรานะคะสรรสริญสนทนาอย่างที่ได้กลับเรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะพักเสาร์อาทิตย์กันเพราะว่าเป็นเวลาที่กําหนดไว้ดังนี้อย่างไรก็ตามห้าวันที่เราพบกันเนี่ยสามสิบนาทีเต็มๆเต็มๆแล้นะคะ นพุทวจนะที่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ติดต่อกับเราทางศูนย์สองหก้าูนศูนูย์หกหรือว่าที่เพียวธามะดอทคอมสลัหนึ่งศูนย์หกสาิวทิุครอบครัวข่าว FM106 มร้อยหกเปิดมาฟังกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พุททวัดสวัสดีค่ะ